สวัสดีการอธิบายธรรมะมันมีอยู่สามอย่างก็เรียกว่าทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าได้มีพร้อมแล้วศีลเราก็รู้สมาธิเราก็รู้ ปัญญาเราก็รู้ทานเราก็รู้ศีลเราก็รู้ภาวนาเราก็รู้แต่ทั้งเทร่รู้รู้เราก็จำเป็นที่จะต้องอตักเตือนกันหรือว่าอธิบายความละเอียดละอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายทั้งเรื่องสมาธิมันเป็นเรื่องสาคัญ แต่คนทั้งหลายพากันมองข้ามสมาธิเนี่ยทำประโยชน์ทุกอย่างให้แก่มนุษย์แต่มนุษย์นั่นได้ลืมสมาธิไปเสียแล้วก็พากันไปอาหาสิ่งต่างๆที่มันเสียสมาธิความาที่จะพยาบาทความที่อาฆาตความที่จองเวนเความเท่ เห็นแก่ตัวการที่ทำลายสิ่งที่มีความสําคัญต่างๆเหล่านี้ละก็เพราะว่ามองข้ามสมาธิเมื่อมองข้ามสมาธิก็ไปกินเหล้าบ้าเอายาบ้างยาแสบติดบ้างอะไรสารพัดเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่เข้าใจ เป็นผู้เท่าผู้แก่ก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยไม่เข้าใจในเรื่องการทำสมาธิซะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นให้เรื่องพากันสนใจในเรื่องสมาธิให้มากเพราะว่ามันเป็นสมบัติสําคัญของมนุษย์เราพากันมองว่าฉันไม่ทำก็ได้ฉันก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกันกับคนอื่น ฉันก็มีข้าวกินฉันก็มีเงินใช้ฉันก็มีครอบครัวได้ฉันก็ทำอะไรได้ฉันไม่เห็นต้องนั่งสมาธินั่นก็เข้าใจผิดเพราะว่าถ้าทั้งที่ตัวก็มีสมาธิอยู่แต่แล้วก็ว่าไม่ได้มาทำสมาธิก็ามหมายความว่าสมาธิธรรมชาตินั้นได้ช่วยท่านทั้งหลายอยู่ไม่งั้นท่านก็ก็จะต้อง เป็นคนที่เสียสเสียสมาธิหรือเรียกว่าเสียสติเมื่อเสียสมาธิแล้วก็เสียสติแล้วอะไรเกิดขึ้นคนนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นคนบ้าคนนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนประสาทหลอนอะไรอย่างเนี้ยที่ว่าคนบ้าแล้วคนประสาทหลอนนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการไม่มีสมาธิสมาธิของเขาได้เสียหายไปแล้ว มันก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตหรือว่าเป็นพวกที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์โดยเต็มที่เรียกว่าเป็นเศษมนุษย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสมาธิธรรมชาตินั้นที่เราได้พากันทํางานได้ทําการปกครองได้เป็นเจ้าใหญ่ในโตได้เป็นกรรมกรได้ เป็นผู้จัดการได้ทำงานเป็นชาวไร่ชาวนาได้แล้วอย่างนี้ก็ล้วนแล้วแต่เขามีสมาธิธรรมชาติแต่สมาธิธรรมชาตินัน่ะมันช่วยได้เพื่อความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการอยากจะให้ตัวของเราเนี่ยดีขึ้นก็จาเป็นที่จะต้องพัฒนาสมาธิธรรมชาติเนี่ย การมาทำสมาธิพิเศษเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่สร้างขึ้นเราพากันสร้างสมาธิขึ้นเมื่อเราสร้างสมาธิขึ้นแล้วเนี่นรีก่นนก็เป็นผลกำไรเป็นผลกำไรที่เราจะเก็บรวบรวมในที่ว่าผลสมาธิคืออะไรผลสมาธิก็คือพลังจิตพลังจิตเนี่ยเมื่อสร้างสมาธิขึ้นมาแล้ว ก็มีพลังจิตมีพลังจิตไว้เก็บถ้าเรามีสมาธิธรรมชาติก็อยู่วันกินวันอยู่วันกินวันมันก็เหมือนคนที่ไม่มีเงินอยู่วันกินวันไปอยู่วันกินวันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเรามาทำสมาธิเพิ่มขึ้นนั่นถือว่าเรามีเงินเหลือใช้เราจะทำเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ก็มีความเหลือใช้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้น คนที่ท่านทําสมาธิมากๆท่านจึงเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมสูงได้เพราะว่าท่านได้ซักทำสมาธิสร้างขึ้นในีมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่จําเป็นต้องจะสร้างให้มากจนเกินไปเอาว่าทําให้เรา เ, เป็นผู้ที่มีสติปัญญาหรือว่า มีการสามารถควบคุมจิตใจของเราไดเ้เท่านี้คือในระยะหนึ่งที่เราพากันทำได้คือหมายความว่าเราทำสมาธิจะทำแบบไหนก็ได้และมันก็เกิดพลังจิตขึ้นเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วพลังจิตนี้ก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อควบคุมจิตใจของเราได้ มันก็เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่สุดเพราะการที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราถึงเสียทรัพย์อันประเสริฐไปเมื่อเราควบคุมไม่จะได้ความขัดแย้งเกิดขึ้นก็แม้เส้าหัวไม่ขีดไฟเล็กน้อยก็ช่วยกันกระพือความขัดแย้งเหล่านี้ให้แตกเล่าไปในทั่วไปโดยการแตกเล่าในครอบครัวเป็นอันดับแรก แล้วก็แตกแล้วในสังคมเป็นอันต่อไปแล้วก็แตกแล้วในประเทศเป็นอันต่อไปแล้วก็แตกแล้วในโลกก็เป็นอันต่อไปก็มาจากการที่พลังจิตอันนี้มันไม่เพียงพอตรงนั้นอ่ก็เหมือนกันกับว่าเมื่อเรามีเงินไม่เพียงพอเมื่อเรามีเงินไม่เพียงพอมันก็ต้องมีปัญหาแต่ถ้าหากเรามีเงินเพียงพอ เราก็แก้ปัญหาได้เมื่อเราทําสมาธิที่สร้างขึ้นมาก็เรียกว่าสมาธิขั้นพื้นฐานเราอย่ายังไม่พูดถึงวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิขั้นพื้นฐานนี่เองที่จะเป็นที่จะเป็นปัจจัยวิปัสสนาต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราทําสมาธิขึ้นมาแล้วน้อยบ้างมากบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้ เราเนี่ยมีสมัชชภาพมากขึ้นสมัชชภาพทางกายก็จะเพิ่มสมัชชทางสภาพทางจิตก็จะเพิ่มเมื่อสมัรชภาพทางกายเพิ่มก็มีความวิเศษขึ้นแล้วเมื่อสมัรชภาพทางจิตเพิ่มก็มีความวิเศษขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งเมื่อควบคุมใจได้แล้วความขัดแย้งแม้ว่าจะเกิดขึ้นมา ใหญ่โตมาโขรลานก็ลดระดับลงไปพ้นขีดอันตรายไม่ต้องมาเกิดแตกแล้วถราว่ามีความอภัยต่อกันได้ล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะฉะนั้น่ะเราก็มาช่วยกัน่ะมาช่วยกันอธิบายมาช่วยกันหาทางให้คนทั้งหลาย ได้คิดว่าการทําสมาธิอันนี้ เ, เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นคือจำเป็นขึ้นมาแล้วว่าเมื่อทําสมาธิแล้วมันจะทําให้เกิดความสงบขึ้นครอบครัวสงบสังคมสงบประเทศสงบโลกสงบอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความสุขที่เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นไม่ควรที่เราจะ พากันมองข้ามสมาธิเพราะว่าเป็นส่วนเป็นส่วนที่มีความสาคัญเหลือหลายแต่ว่าพวกเราก็พากันไปคิดว่าทำสมาธินี่มันจะต้องคนที่เขาหมดคิดหมดการหมดงานแล้วคนแก่แล้ว เ, เข้าไปทำสมาธิ โ, อ, โอย่างนั้นเรืยกหคิดผิดสวัสดีสาธุ